ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> นาโอกาสนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราท่านทั้งหลายได้มาฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาให้พากันตั้งใจ การภาวานานี้ให้พากันนั่งขัดสมาธินั่งสมาธิขัดสมาธิเพชรเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เตียงกลองหลับตาเนกบริกรรมภาวานาพุทโธพุทโธ พกลมหายใจเข้าออกคือกำกับที่ลมเพื่อไม่ให้หลงคําว่าพุโทโธเพื่อไม่ให้จิตคิดไปในที่ต่างๆมีสามอย่างที่จะให้ใจเรานึกเราจเจริญอยู่ได้ก็คือหนึ่งการได้ยินได้ฟังการได้ยินได้ฟังนี้เป็นเครื่องเตือนสติไม่ให้หลงหลืม แล้วเราจะได้ท ร, รมัคําสอนในนั้นจะได้ไปฝึกจิตใจของตนให้สงบระ ง, งับในเวลาต่อไปถ้าเราฟังอย่างเดียวจิตใจเราไม่ไปทางอื่นก็ให้ถือว่าเหมือนกับ น, นึกพุทโธหรือตามลำพังนี้ เราฟังอยู่จิตมันยังแส่สายไปในที่ต่างๆท่านก็ให้นึกเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เมื่อนึกเอาพุทธโธคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ภายในจิตคล้องกับอนาปารลมหายใจ ทั้งสามอย่างนี่แหละเป็นอุบายมัดจิตใจของเราให้อยู่ภายในเวลานั่งสมาธิภาวานาเป็นเวลารวมจิตใจเข้ามาไม่ใช่ส่งแสสายไปตามอำนาจแห่งความฟุ้งซ่านในจิตใจของตน ให้ถือว่าปริมนทนหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบคือตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละถ้าเอาใจโยในกายโยภายในตัวเราภายในหนังหุ้มอยนี่แหละพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งโยก็ให้ถือว่าเป็นอุบายภาวนา จะมีอารมณ์ใดที่จะมาดึงดูดให้จิตใจคิดไปทางอื่นไม่เอาละทิ้งไม่ต้องตามใจกิเลสอันนั้นที่ท่านให้นึกโยทุกลมหายใจก็เพื่อเป็นที่สังเกตว่าลมเข้าออกนั้นใครเป็นผูลูจักเมื่อนึกพุทโธพุทโธอยู่ใครเป็นผู้มานึกพุทโธนะ เมื่อเราฟังธรรมอยู่ได้ยินเสียงใครเป็นผู้มาได้ยินนี่เมื่อรวมความแล้วก็คือว่าจิตดวงเดียวนี่แหละในตัวคนเราจิตดวงที่มีความรู้อยู่ตัวนี้เป็นตัวยั่งยืนดวงนี้เป็นตัวยั่งยืนอยู่แล้วก็มีจิตสังขาร จิตสเสวยเวทนาจิตสัญญาความจำหมายจิตวิญญาณคือกระทบอะไรก็มีความรู้ตามอาการที่กระทบนั้นเมื่อเกิดความคิดนึกแล้วธรรมดาจิตมันแส่สายไปรับเอาอารมณ์ดีใจอารมณ์เสียใจมาไว้ในจิตมาคิดมานึกเป็นอารมณ์อยู่ ท่านจึงให้ละอารมณ์นั้นให้มันมีอารมณ์เดียวและให้โยภายในตัวภายในกายนี้ไม่ต้องให้มันออกไปภายนอกถ้าออกไปภายนอกมันกว้างออกไปไกลออกไปไม่สามารถที่จะรวมจิตใจเข้ามาได้คือให้ใจนึกอยู่จเจริญอยู่ ในพุโทโธก็ดีลมหายใจก็ดีหายใจมาโยจุดเดียวจุดรวมเนจุดรวมจุดสงบอาการสาสบสองอาการกรรมฐานห้าตาจักกรรมฐานเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนัง นี้ท่านให้ชื่อว่ากรรมฐานห้าอย่างกรรมฐานห้าข้อกรรมฐานห้าข้อนี้เรียกว่าเป็นของเห็นได้ด้วยตาแต่ต้องได้ด้วยมือของตัวเองจะว่าไม่เห็นไม่ได้เราต้องพิจารณาผมขนเล็บฟันหนัง ตาจอหนังมังสังเนื้อนาฮาลูเอ็นอัฐิกระโดกอัฐิมินชังเยื่อในกระโดกตลอดไปจนธาตุน้ำน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมูดเหล่นหานี้ก็เป็นอบายภาวนาได้ทั้งนั้นทานนึกโยในอาการสามสิบสองนี่แหละที่ว่าภายในหนังหุ้มเข้าไปนี่ นึกโยพิจารณาอยู่ให้เห็นว่าเป็นของไม่งามเมื่อแตกดับทำลายก็เปือยเน่าผุพังแม้ยังไม่แตกไม่ตายแหละยังอยู่ดีสบายโยเวลาเราถ่ายอุจจาระปัสสาวะออกมาเวลาบริโภคอาหารดื่มน้ำอะไรต่อมีอะไรก็ต้องกำหนดพิจารณา สิงเหล่านี้มันแสดงให้เราเห็นอยู่ว่าเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของไม่สวยไม่งามยาได้ประมาทต้องกําหนดพิจารณาเรื่องของกายเรื่องของจิตให้ได้เรื่องของกายนี้เขาไม่ว่าอะไรมันตั้งอยู่แล้วมีอยู่แล้วถ้าจิตเราสงบตั้งมันเป็นสมาธิภาวนา เราจะกำหนดพิจารณาแบบไหนอย่างไรร่างกายเขาไม่ว่าอยากกำหนดปฏิโกณโสโครอกเขาก็ยอมให้กำหนดเขาไม่ขัดขืนอยากกำหนดว่าธาตุดินมีอะไรบ้างธาตุน้ามีอะไรบ้างธาตุไฟธาตุลมมีกี่อย่างเขาก็ยอมให้พิจารณาเพราะเขาไม่ไม่มีจิตใจ แต่ว่าจิตใจมาอาศัยธาตุเหล่านี้อยู่จิตใจหลงอันนี้ก็เลยมายึดมั่นถือมั่นไม่กำหนดพิจารณาแต่รู้จักใช่รูปร่างกายนี้ไปตามอำนาจกิเลสลาคะโทสะโมหะในจิตใจของผู้มาอาศัยแล้วก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาจนกระทั่ง บางคนบางเรื่องบางราวก็พาล่างกายสังขารอันนี้แหละให้ไปทำชั่วเสียหายต่างๆเรียกว่าทำบาปหรือพาไปจนกระทั่งเกิดอุปเทวเหตุเกิดภัยอันตรายขึ้นในรูปร่างกายซึ่งรูปร่างกายเขาไม่รู้อะไรแต่จิตใจหลงภายในพาไป เมื่อพาไปก็เกิดวิบัตคัดสนเกิดทุกจนถึงขั้นตายก็มี <c oughs> เหล่านี้ไม่ใช่ว่ารูปมันไปจิตนั่นละ่ะจิตหลงมันพาไปเมื่อจิตหลงพาไปจนเกิดพิบัตให้รูปร่างกายนี่แตกตายไปก็นับไม่ทวนจึงจำเป็นต้องฝึกหัดจิตใจให้เกิด ความโลภความชลาดความสามารถอาถรรพ์ขึ้นมาภายในจิตใจด้วยการบริกรรมภาวนาทำใจให้สงบด้วยการมาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระโดกตับไตใส้พงหรือว่ากำหนดอัธิกังกระโดกส0 0ร้อยทอนของตัวเองให้รู้ให้เข้าใจ จใจมันจะไ ด, ด้ถอนกิเลสความโกรธทอนกิเลสความโลภทอนกิเลสความหลงออกไปคนเหล่านี้ถ้าไม่ภาวนาไม่พิจารณาไม่ทำใจให้สงบมีแต่ปล่อยจิตใจให้ฟุ้งซ่านไปตามอำนาจกิเลสในหวัวใจมันมีแต่จะเพิ่มความทุกข์ขึ้นมา เพราะจิตมันไมู่ลเมื่อจิตไมู่้มันก็พาไปในทางที่ไมู่้นั่นแหละเวลาภาวนาจึงเป็นเวลาตั้งใจสงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบจิตก็คือจิตดวงผู้โลภาวนาพุทธอยู่ที่ไหนก็รวมลงไปที่นั้น ไม่ให้จิตประมาทเล่นเล่อเพลอเล่อคิดฟุ้งซ่านไปตามอำนาจกิเลสตลอดวันตลอดคืนไม่มีความสงบตั้งมั่นในวัใจทีนี้ความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆงา น, นานามันก็บังเกิดมีขึ้นในจิตใจของมนุษย์คนเราอำนาจของโมโหโท โ, โสอำนาจของโทสะจลิต กิเลสโทสะกิเลสโมหะอวิชชาตัณหาแทนที่จะทําความดีให้กายวาจาจิตของตนไปในทํานองครองธรรมก็เลยพาการพากายวาจาจิตอันนี้แหละไปในทางที่เป็นบาปทําบาปทางกายพูดบาปทางวาจาคิดบาปทางจิตแทนที่จะเอาจิตใจนั่นแหละ มาเจริญภาวนาทําใจให้สงบตั้งมัน่นก็ไม่นําพาเมื่อไม่นําพาก็ปล่อยให้อํานาจฝ่ายต่ําเข้ามาทับถมจิตใจเจตใจของผู้ปฏิบัติภาวนาก็เต็มไปด้วยความโกรธเต็มไปด้วยความโลภเต็มไปด้วยความหลงมัวเมารวมจิตรวมใจเข้ามาอยู่ในเนื้อในตัวในจิตในใจของตนไม่ได้ ผลที่สตจิตอันนี้ก็ลหลงไหลไปแต่เรื่องภายนอกไม่รวมจิตใจเข้ามาภายในบัดนี้เวลานี้จึงเป็นเวลาสำคัญที่เราทุกคนจะต้องตั้งอ ก, กตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนารวมจิตใจเข้ามาให้ตั้งมัน่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเราจะพิจารณาอะไรถาดดินถาดน้ำถาดไฟถาดลม จะกําหนดก้อนอสุภกรรมฐานก็เห็นแจ้งไปทุกอย่างทุกประการหรือจะกําหนดสิ่งที่มันให้ทุกให้โทษอยู่ในรูปนามกายใจนี่ก็ได้ทางนั้นเมื่อจิต ด, ดวงนี้มีความสงบตั้งมั่นได้ก็จะเห็นแจ้งเองว่ารูปนามกายใจตัวตนคนเหานี้ จิตที่หลงมันเข้าใจว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปแต่แท้ที่จริงรูปนามกายใจอันนี้นั้นมันไม่ใช่เป็นของมั่นคงถาวรประการใดเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันมีชลาความแก่มีพยาธิความเจ็บไข่มีมามาณะความตายคอยสกัดกั้นอยู่เสมอคอยทําลาย เมื่อมีสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นรูปนามตัวตนแล้วก็มีสิ่งที่คอยทำลายคอยจะแตกจะดับอยู่คนเราจึงเป็นทุกข์เป็นร้อนด้วยการดิ้นหลนวุ่นวายสแสวงหาความสุขความสะดวกให้แกเนื้อหนังมังสังอันนี้อยู่ตลอดตั้งแต่เกิดจนตายส่วนที่จะมาปฏิบัติบูชาภาวนารมจิตทำใจให้สงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติ บริกรรมพาวันนาทำใจให้สงบระงับนี่มีน้อยเต็มทีหรือบางคนก็ไม่สนใจในสิ่งเหล่านี้เมื่อไม่สนใจไม่รวมจิตใจของตนเข้ามาให้สงบระงับก็ยิ่งมืดดำต่อไปด้วยอำนาจกิเลสความโกรธเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็ทำลายตัวเองด้วยทำลายบุคคลผู้อื่นด้วย ความโลภเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดกิเลสความโลภนั้นมันกับทาลายตัวเองทําลายบุคคลผู้อื่นกิเลสความหลงในจิตใจนี่แหละเมื่อมันเกิดมีขึ้นแล้วก็ทําตัวเองให้ลุ่มหลงมัวเมาเท่านี้ยังไม่พอยังจะทําให้ผู้อื่นคนอื่นสัตว์อื่นได้เดือดร้อนวุ่นวายด้วยจิตโมหะจิตอวิชชาอันนั้น เมื่อถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาเมื่อใดเวลาใดเราต้องตั้งใจกำหนดลมหายใจเข้าออกภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกพิจารณากายกตาสติกรรมฐานธาตุดินมีกี่อย่างธาตุน้ำมีกี่อย่างธาตุไฟธาตุลมมีกี่อันกี่อย่างก็ให้นับอ่านกำหนดพิจารณาให้ใจมาสงบตั้งมั่น ถ้าจิตนี้ไม่ตั้งมั่นเสียก่อนความลังเลสงสัยในทานในซีมในภาวนามันก็ไม่หมดไปไม่สิ้นไปเพราะจิตมันไม่เห็นแจ้งด้วยปัจจิตตังจำพอจิตของตัวเองเมื่อสิ่งใดมันยังไม่เห็นจริงเห็นแจ้งภายในจิตมันก็ติดอยู่นั่นข้องอยู่นั่นหลงอยู่อย่างนั้นมัวเมาอยู่อย่างนั้นในขณะที่เรานั่งภาวนา ไม่ว่าครั้งใดคราวใดก็ให้สังเกตว่าจิตใจดวงผู้ลูมีโยที่ไหนก็ลูที่ไหนก็มีโยที่นั้นไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วมีโยในกายมีโยในจิตทุกเวลาแต่เมื่อเราไม่ตั้งใจภาวานาเพียนเพ่งดูมันก็เลยเลื่อนห ล, ลงไหล ลอยให้อำนาจกีแลสความโกรธโลบหลงอวิชชาตันหามาทับถมจิตใจของตนตลอดเวลาขั้นมาถึงเวลานั่งสมาธิภาวานานี่แหละจึงเป็นเวลาที่เราจะต้องเอาจริงเอาจังในการนั่งภาวาน า, นา การนั่งทางกายนั่นใครก็นั่งได้แต่วันนั่งทางจิตนะ่ะให้จิตสงบให้จิตตั้งมัน่นให้จิตมีสติให้จิตมีสมาธิให้จิตมีปัญญาความรอบโลกในกองสังขาร น, นี่แหละมันยากเยี่ยมหน่อยเคยสิ่งทั้งหลายรูปนามกายใจตัวตนคนเรามันไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีชลาพยาธิคอยเบียดเบียนอยู่แต่ว่าจิตอวิชชาตันหานี่ก็มาเห็นไปอีกแบบหนึ่งเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายมันเที่ยงแท้แน่นอนหารู้ไม่ว่าจิตหลงนั้นมันไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนท่านจึงสอนให้ละให้วางทําใจให้สงบตั้งมั่นให้จิตใจเย็นสบายเป็นสกโยในใจ ไม่ให้ใจออกไปภายนอกสิ่งดาวนี้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ภาวนามาก่อนพวกเราทั้งหลายคือพระองค์ภาวนาอานาปาลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตใจก็คือผู้รู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออก ส, ส่วนลมหายใจนี่มันเพียงเป็นเพียงธาตุลมธาตุอากาศออกซิเจนปอดมันสูดเข้าไปก็ไปเลี้ยงร่างกายเลี้ยงหมดตัวนั่นแหละมีลมถ้าไม่มีลมเมื่อใดคนเราก็ตายธาตุลมนี้าจะเจลียเป็นอาหารก็เรียกว่าอาหารละเอียด อาหารลมอาหารอากาศนี่กินอยู่ตลอดเวลาก็ไม่หมดไม่สิน้นชีวิตก็ทรงอยู่ได้ถ้าลองหมดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดคนเราทุกคนก็ตายทุกคนมันแหละเพราะว่าถ้าขาดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดตายแน่ๆขาดอาหารยังจะไปหลายวันขาดดื่มน้ําไม่มีน้ํา บริบู์เดิมก็อาจจะนานหน่อยแต่ขาดลมหายใจนี่ไม่ได้ช่วงระยะที่หายใจเท่านั้นตายแล้วไม่เหลือนั้นลมหายใจนี่จึงเป็นอาหารที่แยกว่านอนหลับก็ต้องกินอาหารลมอยู่ตื่นโย ก, ก็กินอาหารลมอยู่พระพุทธเจ้าพระองค์กําหนดอนาปาลมหายใจนี่แหละ จนพระองค์ตั้งจิตตั้งใจได้สงบระงับลงไปได้ด้วยการนึกถึงลมหายใจเอาลมหายใจมาจิตใจของพระองค์จนอยู่หรือว่าโยหรือเรียกว่าโ ย, ย, าโยด้วยในกำ ม, มือของพระองค์จะคิดฟุ้งซ่านไปี่อื่นไม่ได้พระองค์บังคับบัญชาได้จิตใจจึงได้สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนา เมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาแล้วจะพิจารณาลูกนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลภายนอกภายในพิจารณาอะไรก็ลงโซลักอนิจังทุกขังอนัตตาหมดทุกอย่างความหลงก็ไม่มีมีแต่ความรู้ความฉลาดความสามารถอาถานความท้อแท้อ่อนแอกลัวตายก็ไม่มีเพราะพระองค์รู้ว่ายังไงเสียมันก็ต้องตาย ไม่ตายเมื่อเด็กมันก็ไปตายเมื่อหนมไม่ตายเมื่อนมแกชลาแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนไม่ตายมีใครในโลกไม่ตายไม่มีเลยเมื่อเป็นเช่นนี้หน้าที่ของเราทุกคนทุกดวงใจจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏบิบัติบูชาภาวนาภายในจิตใจของตนให้ได้อย่าไปคิดว่าคนอื่นผู้อื่นท่านท่านภาวนาแล้วก็เผื่อเราไม่ใช่อย่างนั้น การปฏิบัติภาวานาบริกรรมทำใจให้สงบหรือพิจารณากายพิจารณาใจของตัวเองนี่ไม่มีผู้อื่นจะมาพิจารณาแทนให้ได้มันเป็นหน้าที่ของตนโดยเฉพาะเรียกว่าเป็นธรรมภายในไม่ใช่ธรรมภายนอกพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็มีทาง อยู่ที่ตักเตือนแสดงตรัสพระธรรมเทศนาสอนบอกให้เมื่อสอนแล้วบอกให้แล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติตามไม่ทำตามไม่ละกิเลสลาคะโทสะโมหะของตนให้เบาบางหมดสิ้นไปก็อยู่อย่างนั้นโยในกิเลสความโกรธเอากิเลสความโกรธไว้ในตัวในใจ เอากิเลสความโลภราคะตัณหาไว้ในใจในตัวเอากิเลสโมหาไว้ในใจในตัวความทุกข์ความเดือดร้อนก็เป็นไฟมอดลกลกขึ้นไม่จิตใจของบุคคลผู้นั้นเพราะไม่ได้กำหนดพิจารณาให้เห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตา จิตมันก็ไม่รู้จักปล่อยวางมีแต่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากมีดิ้นหลนไปตามการมัตรฐาภาวะตันหาวิภวะตันห า, า, นหาไม่จบไม่สิน้นไม่สงบระ ง, งับรวมเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวถ้าจิตมาสงบระ ง, งับรวมลงเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจริงๆและทุกทุกขอนจิตใจก็จะได้ใจสบายใจไม่มีความทุกข์ ใจรู้แจ้งเห็นจริงว่าเกิดมาเป็นทุกอ์อย่างนี้อย่างนี้เกิดมามันแก่ชราอย่างนี้อย่างนี้เกิดมาแล้วมันต้องมีความเจ็บไข้ได้พยาดอย่างนี้เกิดมาแล้วต้องมีความตายอย่างนี้จิตใจจะได้ตั้งโยในภาวนาจิตประมาทมัวเมาเหล่านั้นมันจะได้หายไป ใจิตใจที่รู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวธาตุสภาวธรรมก็จะปรากฏการขึ้นมาในใจิตใจของผู้ปฏิบัตินี้การปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาจึงเป็นสิทธิของแต่ละบุคคลพระพุทธอง์ทรงตรัสไว้แล้วว่าเราต ถ, ถาคตก็เป็นแต่ผู้ตรัดผู้บอกผู้สอนเท่านั้น เมื่อสอนแล้วตักเตือนแล้วสาวกทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติละกีแลงความโกรธโลบหลงในตัวในใจให้หมดไปสิ้นไปด้วยสติปัญญาของตัวเองส่วนพระพุทธ เ, ทเจ้าก็เป็นผู้ตรัสผู้บอกผู้สอน เราก็เอามาแก้ไขจิตใจของเราด้วยการปฏิบัติบูบชานั่งสมาธิภาวานาเดินจมกรมไม่ปล่อยให้จิตใจเลอะเทอะหลงไหลฟุ้งซ่านลำคาญไปที่อื่นยังจิตใจให้สงบตั้งมัน่นเย็นสบายอยู่ในหัวใจใจคนเราั a นมันสุดแท้แต่ตัวเราเองนำพาไปไหนมันก็ไป อย่างพบนี้ชาตินี้เราพบก่อนชาติก่อนเราก็ตายแล้วเป็นคนก็ตายจากคนจึงมาเกิดพบนี้ชาตินี้เมื่อเกิดในพบนี้ชาตินี้ถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอีกจิตใจหลงอันนี้ก็จะพามาเกิดมาหลงมายึดหน้าถือตามายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเรา ก็จะเพิ่มความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาไม่มีที่สิ้นสุดยุติลงไปได้เวลานั่งภาวนาเป็นเวลาปฏิบัติทำกรร ม, มาฐานให้จิตใจของเรากล้าหาญเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างออกไปอย่ามายึดเอาแค่สมมุตินิยมของโลกโลกเขาสมมติว่าอย่างไรจิตใจยาได้มาหลงไปตามสมมติโลก ลอกเขาสมมุติมาอย่างนี้แหละผู้ปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาจะต้องรู้เท่ารู้ทันรู้ละรู้ถอนรู้ปล่อยรู้วางอย่ามายึดเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราอะไรเป็นตัวตนของเราในรูปนามกายใจนี้ดูให้ดีจะเห็นว่าร่างกายสังขาร น, นี่มันไม่ใช่ของใคร มันเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอยู่อย่างนี่เองเมื่อผู้ใดเอามายิบยกมาพิณิพิจารณาสอนใจของตนให้สงบตั้งมัน่นจนถึงขั้นละจีเลสลาคโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปจากจิตใจของตนได้นั่นแหละจึงจะเข้าถึงพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆ ธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นไม่ใช่อยู่ในหีบในตู้ในภาพในลานความจริงมันมีอยู่ที่กายวาจาจิตตัวตนเราท่านทั้งหลายนี่เองแต่เราไม่กำหนดพิจารณาก็เลยไม่รู้ไม่เข้าใจลหลงไหลไปตามกิเลสสกรรมวัตถุกรรมไม่มีที่สิ้นสุด นั่นทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกให้เราเตือนใจของเราทุกขณะทุกเวลาว่าความตายมันมีโยทุกลมหายใจอย่าได้ประมาทมัวเมาบุคคลใดประมาทมัวเมาเข้าใจผิดคิดหลงไปตามอำนาจกิเลสผลที่สุดบุคคลผู้นั้นก็จะเกิดความทุกโทมันัดครับแค่นแน่นใจ ทำความเพียรละกิเลสราคะโทสะโมหะยังไม่หมดไปสิ้นไปก็อย่าถอยความเพียนให้มีความเพียรมีความบากบัน่นพยายามอยู่ในหัวใจของตนของตนว่าจิตใจดวงผู้รู้โยในจิตในใจของเราขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้นั้นมันไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นภายในกายหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบนี้เลย ไม่ว่าเราจะเอามือแตะต้องที่ไหนก็รู้สึกว่ามีจิตใจอยู่ในที่นั้นท้งนั้นเมื่อจิตใจมีอยู่อย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายอย่ามัวไปหาที่อื่นหาที่อื่นไม่มีที่จะพบเห็นได้ท่านให้ทวนกระแสเข้ามารวมจิตรวมใจเข้ามาดูนอกไม่เอาให้ดูใน อยู่นอกไม่เอาให้อยู่ในเล้วว่าอยู่ในใจอยู่ในสมาธิอยู่ในภาวนาอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าพุทธโธพุทธโธในใจมันเกิดความโกรธขึ้นมาถ้าเรานึกพุทธโธให้มันเต็มที่ความโกรธก็ดับไปความโลภมันก็ดับไปความหลงก็ดับไป